ตอนที่49หากเป็นค่าที่ทำเล่าเสี้ยชิงจือเกลี้ยกล่อมตนเองจนคลายใจลงได้ในที่สุดนางก้าวเท้าเดินตามหลิงเซินไปดวงตาของนางเกาะกลิ้งไปมาก่อนจะคิดแผนการขึ้นมาได้อีกครั้งพี่หญิงเย่ยุ่งอยู่กับการบรรเทาทุกผู้ประสบภัยในช่วงหลายวันมานี้พี่หลิงเซินคงได้ไปช่วยนางมาใช่หรือไม่เจ้าคะหลิงเซินชะ ง, งักฝีเท้าแล้วหันกลับประมองโชคดีที่พวกเขาเดินออกมาไกลพอสมควรแล้วสิ้นอ่องย่อมไม่มีทางได้ยินเขาจึงลอดถอนหายใจอย่างโล่งอก จากนั้นเขาก็ลดเสียงต่ําลงกําชับเสี่ยชิงจือเรื่องนี้ห้ามให้เสด็จพ่อรู้เป็นอันขาดเจ้าอย่าได้เอ่ยถึงกับท่านเชียวเสี่ยชิงจือยิ้มบางพยักหน้าอย่างเข้าใจและอ่อนโยนหลินเซินยิงเสริมอีกประโยคว่าแม้แต่เสด็จแม่ก็ห้ามบอกเสี่ยชิงจือพยักหน้าอีกครั้งพรางหัวเราออกมาได้เจ้าค้าพี่หลินเซินปลดวางใจข้าจะไม่บอกใครทั้งนั้นพระนางเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายเช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไรหลินเซินถึงได้เอ็นดูนางเหมือนน้องสาวแท้ๆจากใจจริง เมื่อคิดถึงเรื่องที่สิ้นอ๋องแล้วหวังเฟยเพยายามจะจับคู่เขากับนางหลินเซินก็รู้สึกอึดอัดขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุเขาเบื่อหน้าหนีอย่างรวดเร็วแล้วออกเดินต่อเซี่ยชิงจือเดินตามอยู่ข้างกายเขาแล้วเอ่ยต่อที่หญิงเงย่ช่างมีจิตใจด่งพระโพธิสัตว์โดยแท้การทำความดีครั้งใหญ่ย่อมต้องได้รับผลตอบแทนที่ดีแน่นอนเจ้าค่ะหลินเซินรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่นางเอ่ยเช่นนี้เขาอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองนางเจ้ายอมรับในตัวนางงั้นหรือเซี่ยชิงจือพยักหน้าเงยหงั ก, งก ย่อมๆรับสิเจ้าคะการทําความดีสะสมบุญเป็นเรื่องที่ดีสิ่งนี้สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้มากมายมหาศาลที่หญิงเยี่ยถือว่าได้สร้างกุศลแก่เหล่าสรรพสัตแล้วลินเซิร์นรู้สึกสับสนเล็กน้อยเมื่อครูต่อหน้าสิ้นอ๋องและหวางเฟยนางไม่ได้แสดงท่าทีเห็นด้วยกับเยี่ยยเอาเลยแม้แต่น้อยนี่คือนางตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจกันแน่หากนางตั้งใจเช่นนั้นนางก็ดูเหมือนจะไม่ได้ใส่ซื่อบริสุทธิ์อย่างที่ลิงเซินจินตนาการไว้ อย่างน้อยนางก็รู้จักการปกปิดในเวลาที่ควรปกปิดถือว่ามีความสามารถในการอ่านใจคนได้ล้าลึกยิ่งนักและนางก็มองเห็นความสงสัยของลินเซิรนจึงยิ้มบางๆแล้วเอ่ยเพียงไม่กี่คําเพื่อปัดผ่านไปเมื่อครูท่านอ๋องกําลังริ้วท่านป้าเองก็ไม่อยากให้ท่านเอ่ยปากช่วยพี่หญิงเยี่ยแล้วข้าจะกล้าราดน้ํามันบนกองไฟได้อย่างไรเล่าเจ้าคะคําตอบนั้นไรช่องโว่ลินเซิร์นกระตุกมุมปากเพียงเล็กน้อยทําเพียงพยักหน้าตอบรับเบาๆเซี่ยชิงจือเอ่ยต่อไปว่า พี่หลิงเซินเองก็เหมือนกับพี่หญิงเย่ยที่หวังจะสร้างกุศลแก่เหล่าสพัพพสารและช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช่หรือไม่เจ้าคะหลิงเซินทอดถอนใจอยากทําแล้วอย่างไรเล่าเสด็จพ่อไม่ทรงอนุญาตหากข้าฝืนทําไปร่างกายของท่านคงรับแรงโทสะไม่ไหวแน่เช่นนั้นหากเป็นข้าที่ทําเล่าเจ้าคะฝีเท้าของทั้งสองหยุดลงพร้อมกันหลินเซินหันกลับมามองนางด้วยความประหลาดใจเจ้าทํางั้นหรือเซี่ยชิงจือพยักหน้ายิ้ม ชิงจือไปที่จวนกัวกงเพื่อยอมรับผิดและขอขามาอย่างน้อยก็ทําให้ท่านอองไม่ต้องถูกเหล่าขุนนางผู้ตรวจการโจมตีอีกตอนนี้ท่านอองจึงทรงเอ็นดูชิงจือเป็นพิเศษหากชิงจือทาเพื่อสะสมบุญกุศลและสละแรงกายแรงใจเพียงเล็กน้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อขอให้สวรรค์คุ้มครองให้ใบหน้าของข้านางก้มหน้าลงอย่างลำบากใจให้หายดีในเร็ววันไม่ขอให้งดงามล่มเมืองขอเพียงไม่ทิ้งรอยแผลเป็นไว้ก็พอ เช่นนี้คาดว่าท่านอองคงจะทรงเข้าใจและไม่กริ้วชิงจือแน่นอนเจ้ากะบาดแผลบนใบหน้าของเซี่ยชิงจือนั้นสําหรับสตรีแล้วย่อมเป็นเรื่องที่ไม่อาจเพิกเฉยได้จริงๆผ่านไปหลายวันแล้วใบหน้าของนางกลับยังไม่หายดีสนิทหลินเซินถึงเพิ่งตระหนักได้ว่าตอนนั้นนางลงมือกับตนเองได้โหดเหี้ยมเพียงใดรูปโฉมที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดของสตรีแต่นางกลับใจแข็งทําร้ายใบหน้าตนเองจนเป็นเช่นนี้ได้คนเช่นนี้จะถือว่าเป็นคนใส่ซื่อบริสุทธิ์ได้จริงๆหรือ หลินเซินขมวดคิ้วเงียบๆในใจเพิ่มความสงสัยขึ้นมาอีกส่วนเมื่อมีผ้าคลุมหน้ากันอยู่เขาจึงมองเห็นอาการบาดเจ็บของนางได้ไม่ชัดเจนนักว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแต่นี้ไม่ยังต้องสวมผ้าคลุมหน้าอยู่คาดว่าคงยังไม่หายดีกระมังเซี่ยชิงจือเห็นเขาไม่ตอบรับอยู่นานจึงเริ่มกังวลที่หลิงเซินเห็นว่าไม่เหมาะสมหรือเจ้าคะหลิงเซินได้สติกลับมาโอไม่ใช่ว่าไม่เหมาะสมหรอก เขารู้สึกว่าหากเปลี่ยนเป็นเซี่ยชิงจือเรื่องนี้ก็ดูมีเหตุผลรองรับพระสตรีมักจะไปจุดทูปไหว้พระขอพร อ, อยู่บ่อยครั้งและนี่ก็เพื่อให้อาการบาดเจ็บบนใบหน้าของนางหายเร็วขึ้นสเสด็จพ่อต่อให้ทรงใจแค่เพียงใดก็คงไม่ถือสาหาความกับนางเพียงแต่ลิ้นเซินกวาดตามองนางอย่างไม่ค่อยวางใจจะเป็นเพียงสตรีผู้อ่อนแอจะจัดการเรื่องใหญ่โตเช่นนี้ได้อย่างไรเซี่ยชิงจือยิ้มอีกครั้ง ลำพังข้าคนเดียวย่อมทําไม่ได้แน่นอนแต่ข้ายังมีพี่หลิงเซินอยู่นี่เจ้าคะข้าเป็นคนสั่งท่านเป็นคนทําเช่นนี้ท่านก็คือการช่วยข้าเพราะหวังให้ใบหน้าของข้าหายดีเร็วๆไม่ใช่การช่วยพี่หญิงเยี่ยหรือช่วยตระกูลเยี่ยเช่นนี้แล้วท่านอองเย็นจะตรัสอะไรได้อีกเล่าเจ้าคะหลิงเซินชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าชมเชยเจ้านี่ฉลาดจริงๆงั้นก็เอาตามที่เจ้าว่าเจ้าอยากจะจัดการอย่างไรให้เหมือนกับเยียวยงนั้นหรือ เสี้ยชิงจือหลีตาลงแท่งทําเป็นใช้ความคิดแต่ในส่วนลึกของดวงตาตวัดประกายความเย็นชาที่ไม่มีใครร่วงรู้ย่อมต้องไม่เหมือนกันเจ้ากับมิเช่นนั้นจะถูกผู้คนคอรหาว่าประจบสออพอทําตามอย่างผู้อื่นซึ่งไม่ดีต่อชื่อเสียงของจวนอองและท่าน อ, องก็จะทรงกลิ้วด้วยลินเซิร์นพยักหน้านางพิจารณาได้รอบคอบจริงๆหากผู้เช่นนี้นางก็คงไม่ใช่คนใส่ซื่อบริสุทธิ์แล้วเรื่องตั้งแต่เมื่อใดกันที่น้องสาวคนนี้เติบโตขึ้นและรู้จักคิดอ่านเช่นนี้ ลินเซินไม่ได้พูดออกมาเพียงแต่ถามว่าเจ้ามีความคิดแล้วหรือยังเสียชิงจือคิดครู่หนึ่งแล้วพยักหน้ามีแล้วเจ้าคะ่ะการบป็เทาทุกดำเนินมาได้หลายวันแล้วเย่เยามาช่วยงานที่โรงทานโจกทุกวันเมื่อมองดูฝูงชนผู้ประสบภัยที่มืดฟ้าโมดินเช่นนี้คิ้วของนางก็ยิ่งขมวดมุน่นเยี่ยหัวเวลาว่างจากการทํางานถือกระติกน้ําเดินมาหานางพางดื่มน้ําพางถามว่าขมวดคิ้วแน่นเชียรเป็นอะไรไปเย่เยาเ อ, อ๋ย ที่ชายท่านสังเกตเห็นหรือไม่ว่าหลายวันที่ผ่านมานี้ในหมู่ผู้ประสบภัยมีใบหน้าที่คุ้นตายอยู่มากมายเย่หัวพยักหน้ารุ่นเป็นผู้ประสบภัยแถวนี้ทั้งนั้นมากันทุกวันย่อมต้องคุ้นหน้าเป็นธรรมดาแล้วหากวันหน้าเราไม่แจกโจกแล้วพวกเขาจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรเมื่อเย่เยาเอ่ยคำนี้ออกมาคิ้วของพี่ชายก็ ข, กขมวดปมแน่นเช่นกันเขามองไปยังแถวของผู้ประสบภัยที่ยาวเหยียดพี่ชายกลับยิ้มออกมาเล็กน้อยยากนักที่เจ้าจะคิดถึงปัญหาในระยะยาวเช่นนี้ เช่นนั้นเยาเยาเจ้ามีความคิดหรือข้อเสนอแนะอะไรหรือไม่เย่เย า, ยาขมวดคิ้วครุ่นคิดอยู่นานก่อนจะค่อยๆเอย่อยออกมาต้องหาวิธีที่ยั่งยืนให้ได้เจ้ากะมิเช่นนั้นการช่วยเหลือคนยากจนในระยะยาวนั้นทําได้ยากอย่าว่าแต่จวนกัวกงเลยต่อให้เป็นคลังหลวงของราชสำนักก็คงรับภารการกินอยู่แบบนี้ไม่ไหวเยี่หัวถอนหายใจนั่นสินารจัดสรรที่อยู่ให้ผู้ประสบภัยจําเป็นต้องคิดแผนการระยะยาวที่เหมาะสม การให้พวกเขามีกินมีใช้ชั่วคราวนั้นไม่ใช่ปัญหาแต่มันก็ไม่ใช่ทางออกที่ดีเป็นการแก้ที่ปลายเหตุไม่ใช่ที่ต้นเหตุให้ข้าวหนึ่งเสิงเป็นพระคุณให้ข้าวหนึ่งโตเป็นศัตรูความเมตตาที่มากเกินไปจะกลายเป็นความแค้นเกรงว่าภายหลังจะเกิดปัญหาไม่จบสิน้นยิ่งพูดคิ้วของทั้งสองก็ยิ่งขมวดแน่นทันใดนั้นผู้ประสบภัยที่ต่อแถวอยู่ท้ายๆกลับพากันเดินจากไปมุ่งหน้าไปยังอีกทิศทางหนึ่งผู้คนเริ่มเดินตามกันไปมากขึ้นเรื่อยๆ สองพี่น้องมองเห็นเหตุการณ์นั้นแม้แต่เหล่าองครักษ์ที่ช่วยงานอยู่ในโรงทานโจกต่างก็มองหน้ากันไปมาเช่นนี้โจกที่พวกเขากำลังต้มนี่ยังต้องทำต่อไปหรือไม่เยี่เยาเกิดอะไรขึ้นคนพวกนั้นจะไปไหนกันเยี่หัวแม้แต่ของกินก็ไม่เอาแล้วหรือเขาเรียกองครักษ์คนหนึ่งมาไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นองครักษ์รับคำสั่งแล้วจัดไปเยี่หัวหันไปสังเกตคนอื่นๆทุกคนทำหน้าที่ของตนเองต่อไป ทุกคนกลับไปทําหน้าที่ตามเดิมผ่านไปไม่นานในขณะที่รงทันโจกกาลังยุ่งวุ่นวายกลุ่มผู้ประสบภัยที่เดินจากไปเมื่อครู่กลับวิ่งย้อนกลับมาอย่างกระทันหันแถมยังพุ่งตรงมาด้วยท่าทางรีบร้อนกระวนกระวายแถวที่เคยเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกกระแทกจนแตกกระจายในพลิบตาฝูงชนเริ่มเกิดความโกลาหลเยี่ยหัวรีบระวังตัวทันทีเขาสบัดมือสังการทหารที่เฝ้ายามอยู่รีบร้อมตัวเป็นกําแพงมนุษย์เพื่อสกัดกั้นคลื่นฝูงชนที่กําลังคลักเข้ามาอย่างรวดเร็ว